เทศอบรมพระวันที่29ตุลาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้หน้าเอดีแต่หน้าบีกลับด้านใช้ไม่ได้ พราะเขาไม่เคยทําเหมือนเด็กอย่างบ้านเนี่ยมื่อมาเห็นเรื่องของหลักธรรมแบบวินัยมันเป็นเรื่องผู้ใหญ่มีกฎมีเกณฑ์มีข้อบังคับไม่รูดาว่าว่าเขาียนว่ากฎขันกันเขาเบ้าไปนะตามเรื่องของศีลภาษีัาษาแต่เราจะรู้โลกว่าเป็นใหญ่เรื่องใหญ่โตยิ่งกว่าหลักมแบบวินัยซึ่งเป็นการปกครองโลกเขามีความมเย็นไปแล้วเราก็พูดอะไรไม่ได้ ก็จะเป็นกายพระเด็กเป็นศาสนาเด็กเป็นไรม่สนไเขาะเหตุผลไม่ลงตรงไหนหนัเบามากน้อยมันจะเป็นไปวเอไม่ได้ ม, มองเห็นใครยิ่งคน่าธรรมของพระพุทธเจ้าไปได้การวิเศษวิโสยิ่งกว่ า, ร ธ, า, ราธรรมมีที่ไหนไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้ายังสุงมกราบทธรรมากเลย เราจะทำการเรื่องมุ่งคนไม่ได้วันดุดดุวันนั้นก็มาเกี่ยวข้องในวัดไล่ไม่ก็มาเกี่ยวข้องของบางที่นี่ีกว่าปฏิบัติการหลักทรรมพพุทมรบุตนาก็หลักเด็กมาใช้วางไงตัววัดจะมาตัวดินแดง ดยดถาบันาศัพท์เหยียบย่ำทำงงลายของเราไม่ได้ทำรูปโอกเส้นใจเขาลกไม่เขาท่าให้เราเนี่ไม่เ่ะพูดจริงๆนะผมร้อยัาษาประการดีถ้าไม่เขาหลักเขาเกนแล้วผมไม่กลาบเฉยเลยว่าง ม, มาว่าอะไรเราได้เปิดคลิปที่เราอธิษฐานขงเรา เคยเป็นไหวมาเป็นเลือดนั่นแหลหนังอันเดียวกันเดียวจะมาเปลี่ยนเป็นอยงนังไงเพราะเป็นหลักที่รับรองทั่วสาคนลูนรกแล้วอะไรที่จะเป็นหลักปกครองยิ่งกว่าหลักทำหลังนีนแม้แต่คนหมายก็ไปทำทำหนึ่งแล้วไปอกีอปอก กายยังายอย่างนี้หลวพปฏิบัติแบบเด็กจริปกครองมันแบบเดกล้มือมือสอดเข้าไปล้วอะไรจอดขไปโขยกขมามากินของออกลั่นทำวิถีกับ่้าอะไรเนี้ยคุ้มความคำหมนแล้วก็ทุบๆกันทั้งยัดหางันไปมุมหนึ่งเราลุ้มโอ้หน่นี่มีหรอเราจะขึ้นค่าน้ำค่าไป มื่าจะเดินกระบวนกานขั้นหนึ่งเลยคือแปดสถาบันของอาวิทลัยรัฐบาลทนนี้ย่ำมีตีแหลบประชาชนเหลือเกินวางนันก็ถูกของเขา่าน้ำมันไม่ควรที่จะขึ้นหรือไม่นาน้ํางขึ้นหรือตื่นมาขึ้นมาหมดก็ทับแตกกันอย่างบุ่เหนง่าย ใครจะอยากเป็นแต่เจ้าแต่นายเพราะมันเป็นแล้วมันมีแต่จะแตยกยัดหาเัินจำนบนหน้าที่การงานมันได้เป็นเนื้อเป็นหนังที่ไหมทำงานแทนที่จะเสร็จในหนึ่งวันห้าวันก็ไม่เสร็จมันเดอนั่งรถไปตามถนนทางเขาทำข้างขุดคลองขุดแ้งขุดไม่หมยุดยกนั้นจะหา ง, งานทำพอพิธีได้แตกเงอนหน่อยๆแล้ว พุดดินน้ะเวลารถติดเนี๋ยวนองมองกูพดดินนี่คุยกันโอ้ควันบุหรี่นี่ข้ามองอ่ะนานนี่ได้บงกีหนึ่งป๊อกงานได้บุงกีหนึ่งป๊อกเหมือนเด็กว่าไปทำเพื่อเอาเงินนั่นแหเพื่อเอาเงานอะไรเห็นมันต้องทำเมื่อนานหล พูดทั้งนึงทำราชการงานว่างแล้วดูไม่ได้จริงขนาดนั้นเนี่ยมือใครจะใหญ่ขนาดนั้นผมมันไม่เห็นที่จะไปสัมผัสสัมผัสใ น, สน ใ, ในจิตใจมันต้องเห็นในหลวงค้ำเอาไว้มันจบมานานแล้วเนี่ยมันใครใครไปนนั่งก็แตกกันนั่น แต่จะโดยารู้เต็มผมเต็มตาเต็มใจนะแลเวกาไม่พูดอะไรพารู้อะไรไหมั้าเราอยู่ น, อ, นอกๆเรายังรู้วนราราทุกคนรู้ลูกคิดป์เรเหมือนตาสับสนไปเลยไม่รู้ได้เลยประกรันประการที่สองเรคิดพิจารณาแต่เรื่องเรื่องทีง่มันปรากฏขึ้นมามันมีสาเหตุเป็นมายางไรย่างไมีดมันไม่หลีหลับคอนดินไปได้ครับ เัาดูเมืองอื่น้าเรายมาดูมองไทยาม่ิดเราคือเมืองเด็กต่างๆเราไม่ไปดูก็รู้อยู่แล้วคือมันมองเด็กกดเกลียนอะไรก็พือพากันวันสองวันลมกันาวไปเท่านั้นเองนี่เวลามาบวชเป็นพระกคนไทยซึ่เป็นนิสัยอย่างนั้นแล้วบวชพระก็แบบนั้นแ่ละมาต้นบรรยายนี่คอยหลับทำหดอกวิไปสม นิทราบรรดาศักดิ์ได้ไปทางหลังนนั่นผู้เครารพมุ่งไปทางนู้นนิทราบรรดาศักดิ์ไม่นมุ่งอัดมุ่งทมุ่งความกีเรื่องมันก็เลี้ยวไหลไปรเรือ่อยๆจมลงไปจนลงไปคุณลุงบุกรท่าทางหลังที่จะแบกภาระามันหนักจะตายขู่เงินต้องขามาชา้อยู่สุดๆใครมาเป็นรัตนากันัะ กินกันกินกันอะไรอะไรกินกันกู่มันก็มาอกู้ที่มัดจะรับภาระสุดท้ายหลหังมันจะตายออืมันเป็นแพลรับบาปชิดมดเมราเนี่ยเขามาเป็นรัฐบาลพวกข่าวว่อาอ๋สมุกกินได้นเนี่ยพอออกไปแล้ ว, วคนอื่นเขามาแทนเนี่ยแอบแบบอะไรอยางเงี้ยเขา ม, มากิน ข้าราชการไทยมีสี่คนทำไม่รู้ ท, ทันทีมันจะผิดหูผิดตากับเมืองอื่นเพราะเป็นใหญ่เป็นโตกิริยาท่าทางโอ้อาจทั้งๆตัวเท่าอื่นคอยวิชากาเท่าอื่นคุณสมบัติอะไรก็มีนี่เอาโอ้อาจเฉยเ็น มีพระที่มาใหม่สององค์นั้นว่างไงฮะยังไม่าถามนะวันนี้จะถามเด้วยวก่อนอที่มาจากวัดอ น, นุน่ะเอาน้ำเค็มอ่ะว่าไงไมะนตาตามมาอีกคนแล้วก็บันละบัน ว่าไงไปไงมาไงไหนโชคข่าวใช่ไหมหรือ ว, ว่าอายุบ้านเรามาอยู่ไม่ดีอ่ะไม่มีผลดีแถวบ้านเราอยู่นี่มันใกล้อารมณ์เก่าไม่เกิดประโยชน์อะไร อยู่ยเฉยมก็มาคิดถึงบ้านยิ่งมาอยู่ในบ้านแล้วมันก็ยิ่งเป็นคุณเป็นไฟบรรพกาใจประโยชน์อะไรที่ไหนสะดวกสบายห่างเหินเรื่องสัมผัสสัมพันธ์ในเรื่องเก่าๆอะไรนั่นนันก็สะดวกสบายยิงง่งกว่านี้หาทางไปที่สะดวกสบายพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชเห็นไหมพระสาวอกองไหนไป ย, ยุ่งเหยิงวึนวายกับสกุลบ้านเรือนเจ้าของไี่เห็นมี ออเงียบเงียบเลยมาจากววาาาสกุลต่างๆชาหราษตรเศรษฐีรุ่มพีมาท่านไปเกี่ยวก้องกับสมบัติเงินทองเลืดถามราษฎรที่ไหนนอกจากผลใจในธรรมหวานยิ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราบวชมาจะเดินตามรอยสะบาทของพระพุทธเจ้าแล้วสาวกก็ควรคำนึงถึงปฏิบัติการดำเนินของท่าน นั่นลหละคือเดินตามร่องรอยทำคำนึงถึงนั้นแล้วไปไม่รอดนะได้เคยพูดเสมอไมนมีอะไรที่จะเหนียยงแงนยิ่งกว่ากิเลสเพราะเคยเป็นเจ้าอำนาจ บ, บนหัวใจสัตว์โลกมาแล้วทั้งสามโลกนี้กิเลสเท่านั้นเป็นจอมข้าัตร์จอมวัตรในใจผูกนี้ ผมดเห็นนีเองผมจึงกล้าพูดว่างานใดก็ตามในโลกนี้ไม่ได้หนักหนาจนถึงขนาดเอาเป็นเอาตายเขาแลกกันเหมือนงานต่อสู้กับพิลิศค่าสุดใดก็ตามาไม่ได้เหนียวแน่นยิ่งกว่าค่าสุดคือพิริกล่าวนั้นไว้ในบทธรรมว่า โยชาสร้างสาเส้นะสร้างรามีมนุษย์เช่นนีเอกันจะเทียมัตตันนัสุเรสรามาชุดตะมุกนการชนะในสงครามของโลกนั่นแหะคูนด้วยล้านก็มันมีสิทธใดประเสริฐเพราะผู้ชนะก็หาความผาสุกไม่ได้ แทนพี่ชนะแล้วเขาแล้วจะมีความผาสุกมหาไม่เจิญต้องมัระวังตัวตลอดเวลาสี่ผู้แพ้ก็ก่อกรรมก่อเวรเที่ยงแค้นมีการชนะเกเรกภายในหัวใจตนเพียงรวงเดียวหรือคนเดียวนี้เท่านั้นเป็นการชนะที่เลิกที่สุด ไม่มีสิ่งใดเส ม, มอเหมือนในโลกนั้นจำเดชชนะตนจะชนะอะไรถ้าไม่ชนะความชั่วช้าลามกซึ่งเกิดมาจากวิเดชของตระเงศโดยธรรมของบริุทธเจ้าเป็นเครื่องมืออย่างทันสมัยมาตั้งแต่ด็กดําบันเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับวิเลชจิงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะที่จะค่อยทำค่อยเป็นค่อยไป เราค่อยกิเลดต้องหนักมือเขาเรื่อยเืยเราอ่อนแอเท่าไรกิเลสยิ่งเข้มแข็งเราทราบอย่างนี้ขณะในเราเข้มแข็งกิเลสก็ค่อยอ่อนตัวลงพอเราอ่อนตัวลงกิเลสก็เข้มแข็งสุดท้ายก็แพ้อย่างไม่สงสัยคําว่าแพ้แพ้อะไรก็ตามมันมีความสุขที่ไหนอม มืนกับเป็นคนอาภัพคนหนึ่งแม้แต่แม้แต่เขาแพ้กีฬากันขนเขาจะโอเเสียใจขนาดมยังเก่วการเล่นเหมือนที่เคยก็ยังต้องการชนะ น, น, นีไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องการชนะพิเรศปราบปราบพิเรศต่อสู้หรือรบกับกิเรศไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายต่อยวางทั้งหมด บรรดาสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องผโลพันธ์ทางโลกมามากน้อยอดีตอนาคตไม่ให้ยุ่มไปนอกจากจะทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านวิญญาสติสมาธิปัญญาก็าให้เต็มกำลังควายสามารถเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันเพ็นก็เป็นตายก็ตายไม่ตายให้รู้ให้ผลให้ชนะ มีเท่านั้นนัะนอเรื่องการรบกับกิเลสเราจรึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเพราะเราเคยมาแล้วงานทางโลกก็เคยทําหนักหนาก็เคยหนักหนาแต่ยังไม่เคยปรากฏในความรู้สึกนี้เลยว่าเรามอบชีวิตกับงานนั้นไหนนี้แต่งานปฏิบัติธรรมสถานนี่ได้มอบจริงๆ เมืกับสละชีโดยลําดับลาดับเป็นพื้นฐานมาแล้วยังต้องสละอย่างเด็ดอีกอย่งหนนั่นเป็นขั้นตอนเป็นจุดเป็นจุดเป็น จ, จ, จุดอย่างความเด่นความเสียสละชีจุดอย่างความกล้าเป็นกล้าตายมีเป็นจุดจุดมีเป็นครั้งครั้งมีอยู่นั้นเรื่อยมา ไมนมีความาทันส บ, บายแล้วสำหรับผมเองตนะั้งแต่วันเริ่มแรวกว่อปฏิบัติพรรษาเจ็ดเริ่มกระุมบอลกันมาตั้งแต่นั้นเลยทีเดียวในยุ่งกับงานการอันใดทั้งสิ้นขึ้นักรวาการก่อสร้างแล้วไม่สนใจทั้งทั้งทั้งทีง่ไม่ได้เจียดการหากมีเหตุผลในการามเพ็งทางด้านจิตใจต่างหา คือพิภารณาเพื่พอรู้ก็เห็นเพราะจิตมีความมุ่งมั่นต่อแดนความพ้นทุกข์ฝังอยู่ในใจอย่างลุกซึ้งอยู่แล้วด้วยเหตุ น, นี้เองความเปลี่ยนพยายามทุกด้านจึงเป็นไปเพราะความตื่นตัวสมักคำไม่หมีเสมอไม่นอนใจต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทภายในจิต แรกกิจก็ธรรมดาธรรมดานมันเปลกเหมือนผีตัวหนึ่งแพอเราเริ่มประกาศภาวนามันยิ่งเหมือนอะไรเข้าไปอีกยิ่งเหมือนยักษ์เข้าไปอีกเหมือนหนักยิ่งกว่าเปรตกว่าผีเข้าไปถึงขั้นยักษ์มันต่อสู้กับเราฟาดกันงลงอย่างสะบ้านทันเลยคนขยาอมอดอิม ก, ก่อ ยออิ่มเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตายทุกข์ก็ยอมทุกข์ขอให้ิเลนี้หลุดลองจากจิตใจทั้งนั้นเต็มที่พึงใจเต็มตามความมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้มันปรากฏ ว, ว่าได้รับความสะดวกสบายอันไหนส่วนผลได้รับเสมอไปแต่เราไม่ต้องการเพียงเท่านี้ที่จะให้ความลำบากต้องเพิ่มตัวขึ้นมาความทุกข์ความ ปรมานในตนเองถึงเป็นทุกข์ไป ต, ตามๆกันด้วยการนองเป็นเหตุความสุขที่เป็นผลก็ปรากฏขึ้นมาแต่ขันสมาธิครลบฝึกหัดป ร, รมาณทีแรกโอ้มันเหมือนจะพาหอเหินไปนอกโลกนอกของสารี่เลสมันมีกำลังมากยิ่งกว่าเราเหมือนกับเรานหี้ยเราเวียม ตกทวีบนุ่นทวีบนี้นะตกไหนก็ไม่ถอยกลับมาต่อสู้อีกจับเยียงตกเวทีไปก็ไม่ถอยลุกขึ้นมาได้ขึ้นมาสู้อีกลายครั้งหลายผลนั่นแนหะถ้านวิเวยนะลูกครรมะเจติตตคนจะพ้นไปได้ทุกไปได้เพราะความเกลียดเห็นคุณค่าอย่างถึงใจวิเยที่มันหนักหน่วงมากต่อ จิต ใ, ใจของเราถามมันทั่วๆไปนี่ก็คือกรารมืิกี้เลยราคาตันหานี่มันแสดงเป็นความนุมแรงของมันอยู่โดยปกติมันต้องเข็นค่าตรงนี้เอาให้หนักมือดเดียวพุชนาพอกิน อ, อกจำมันชอบคิดด้วยเรื่องเหล่านี้มันชอบคิดอะไรมันก็ยิ่งจะต่อสู้กันมากนักน่มันต้องหนักภายในใใจิตใจ มาขั้นนี้จะหมดลงไปแจก็รู้สึกสบายแล้วทำไม่มีเพียงขั้นสบายเท่านี้ยังมีขั้นวิเศษวิโสยิ่งกว่นี้ไปก็ต้องให้มีความบึกบืนอีกน่ะการบึกบืนในความเพียรทุกแขนงมันเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะทำงานและทำงานก็งานหนักด้วยงานเอาจินออกจังไม่ใช่งานละหลอออะไรแหละรูปคัมภีร์ต้องมีความทุกข์ความลาบาก ทนไม่ถอยเพราะมีหวังรอดพ้นจากแหล่งทางมัตรจักถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ลืมการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันพนร้อมดีที่ใจทั้งหมดจิตที่ผาดพ้นหดเต็นรู้สึกจะไมมีใครเปลือกจิตั้งเราต่โกนว่านะผาดพ้นหมดเต็มดิ่มมันดีมนดมันดื้อดึง แต่ยังก็ตามมันสู้ความเขียนไม่ได้หนะักสู้ทําไม่ได้วิญญาณธรรมขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมฟาดกัลงไปฟันหลายครั้งหลายหนต้นไม้มันจะใหญ่ตัวขนาดไหนมันก็จะพ้นความค้นล้มไปไม่ได้ถ้าพยายามฟันปักปักหนไม่หยุดเอาจนได้ ความเพียรจริงสำคัญขั้นเรื่องความราคาตัญหาความสงบอารมไปก็คอยดึงหูลึ้ตาได้บางคิีไม่ค่อยทะเลถลไห ล, ลากดึงเราเข้าป่าเข้าพงมันยังแต่ก่อนพร้อมีการยัย้งตั้งตัวได้บ้างด้วยความสงบวองใจห น, นั้นเราก็เร่งเข้าไปเปินเป็นความสงบสบายไป ไม่ยุ่งเหยิงกับสิ่งเหล่านี้ทั้ง ท, งท่มันมีอยู่ภายในจิตแต่มันก็ไม่ยุ่งเราก็ทราบตอนเวลาเดินทางด้านปัญญาที่จะนาแยกแยะสนต่างๆของสกุลากายเริ่มตั้งแต่อรุภอภสุพังเพื่อให้ตีขนาดคามาตัญหาธ า, าตปมตัญหาให้สงบแนบ่งไปด้วย อสุภะอสุพังปฏิกูลโฉโคแม่ร่างกายโดยทางสติปัญญามันก็แจ้งแจ้งขึ้นไปโดยลำหนักําหนดกจนมีความชำนิชำนาญในการพิจารณาทั้งภายในคือร่างกายของตัวเองทั้งภายนอกจะเป็นร่างกายของไขรก็ตามส่วนมากจะต้องถือร่างกายของวิสภาคกันคือฆาติกันกัน มาเป็นเครื่องพิจารณามันมีความคล่องแคล่วแก้วกาทางจิตอ่านฐานถึงขั้นมันอานฐานก็อาา่อานฐานอ่านแต่ความมันอานฐานไปื้วยความกำนังกินดีมันอานฐานไปด้วยความไม่กำลัดยินดีเนี่ยมันไปมันเป็นอย่างนั้นมันพลิกไปใหม่ อดีพัญญาขั้นนี้มันต้องผ่านโ้นมากเดียวเหมือนเป็นเสียงดังก็ไม่เสียงระเบิดแล้วไม่เหมือนเสียงปืนธรรมดามสู้กันอย่างนั้นนนนเรื่องของจิเรีมันยากไปรดรลน้งมันมันอยู่ในใจนี้ความคิดความปรุงออกมาไหนมีไปเรื่องคิด คิดปรุงเรื่องกิเลสทำงานไม่มีเรื่องอัดเรื่องทาเลยถ้าตามธรรมดาของมันมันต้องคิดอย่างนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นข้อคิดชิดในเรื่องธรรมแก้กิเลสซึ่งเป็นสังขารอันเดียวกันสังขารสังขารอันหนึ่งเป็นฝ่ายมากสังขารอันเป็นฝ่ายป็นไฟกิเลสทั้งสองอย่างนี้ต่อสู้กันกันเห็นผลไปโดยลํำดับ ทุกท่านให้ทำความเข้าใจกับตัวเสมอโลกนี้มีเท่านี้แหละมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายร้ายพาักผักจากของรักของสอเครื่งองมัดเงินทองเข่าของหยาดมิตรเพื่อนสูงสามีปัญญาพอ่อแห่ลูกเต่าหลานเหลี้ยมีความอัิปรากจากกัน เหมือนลูกโซ่ตลอดเวลามีอยู่ทุกแห่งทุกผลนตำบลหมู่บ้านทั้งสัตว์ทั้งบุกคนสิ่งเหล่านี้มันทำความสุขให้แก่สารโลกได้อย่างไรมแีแต่เรื่องวิโยครับพากจากกันซึ่งเป็นสายทางให้เกิดความทุกข์ทรมารทางด้านต่อๆทันมันแล้วเราจะหาความสุขจากมันที่ไหนพระสพพบเห็นกันทั่วขนา ถ้าพูดถึงเรื่องความสุก็เพียงเหมือนกับสายฟ้าแลบเท่นั้นเองอย่างนั้นก็มีถึงแต่ความทุกข์ความทรมาทางด้านีิตใจเวลาจะเป็นจะตายเข้ามานี่ก็มองเห็นหาทางก็ไม่เจอว่าจะไปทางไหนเป็นทางถูกทางผิดทางดีทางชั่วทางสุขทางทุกข์ประการใดเหมือนอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรเลยไม่ทราบว่าจะไปทิศใดแดนใดใน ถึงจะพ้นจากท่กามกลางมหาสมุทรมหาสมุทรมหาสมุทร ม, ม, มหาอย่ไยมอีก ใ, ใจเฟ้งคว้างหาหลักหาเจนยึดไม่ได้เพราะจึงตรงนั้นไม่ใช่หลักเป็นที่ยึดของใจพอให้เป็นความตายใจนอกจากธรรมที่จะปรากฏขึ้นในใจ และเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันใจเป็นที่มั่นใจนี้เท่านั้นไม่มีอันใดที่จะเป็นหลักอันสำคัญการเกิดเจะตายเคยมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์กางไหนๆมันเป็นเรื่องสะเทือนหัวใจของโลกทั้งนั้นเพราะสัตว์โลกทั้งมวลไม่มีใครต้องการความทุกข์ความทรมานความเจ็บไข้ได้ป่วยความรุ่งหายตายจากซึ่งกันและกันไม่มีใครต้องการแต่ทาง สายทางคติธรรมดามันกว้างขวางไม่มีใครที่จะไปการการั้นกลางหองห้ามได้เมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีเก็มีเก็บมีใครสลายผัดถักจากสัตว์และสังขารสมบัติหนึ่งถอดเราที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นธรรมดาของหมันไม่มีใครจะกั้นกลางหองห้ามได้เมื่อเกิดมาแล้วมันต้องเป็นอะไรเกิดเป็นผลแล้วก่อไปเรื่อย นอกจากจะพยายามแก้ตัวเหตุมันให้ได้เสียในปัจจุบันนี้ตัวเหตุที่เกิดกระจายเิดตายหมายป่าช้าอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันอิ่มพอ ท, ท, ทั้งที่ไม่อยากตายไม่อยากได้รับความทุกข์มันก็ยังเป็นไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยคืออะไรเป็นสาเหตุท่านบอกกล่าวไว้แล้วเราเรียนมาจนคล่องปาก ข่องใจอวิชชาปจิยาสร้างฆ่าราสรัาง่าราปจิยาวิญญาณนะวิญญาปิญญานามรูปปังเรื่อยจนกระทั่งเอโลเมตาเออเมตาเกียวระต า, าดุขขัข้นทัศสมุทรโยโหตินี่สายโซ่มันเกี่ยวโยงไปล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของสมุทัยทั้งมวลที่จะก่อความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกเพราะ อวิชาเพียงอันเดียวท่านั้นสามารถแตกแขนงไปได้นับอ่านพรนานาไม่จบนี่เองเป็นชื้ออันสาคัญที่จะท ำ, ทำให้ไฟราคาราะถูกระเบหักมันเขาบวนติดใจมันเกิดแจเ่เจ็บตายไปไม่หยุดไม่หย่อน ทุกแห่งทุกพ้นไม่ว่าในน้ำบนบกสัตว์บุคคลเป็นไปโดยทั่วกันไม่มีใครไม่เปลียบเทียบกันมีความทุกข์เท่ากันความลำบากความทรมานเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันหมดเพราะอำนาจแห่งสมุทัยนีอย่างเดียวคืออวิชชาปฏิยาสร้างข้ารานีเราท่องไหมากมารหลับวิชา นี่ท่านเล่าเรื่องของอวิชชาไม่ใช่วิธีปฏิบัติไม่ใช่ภาพปฏิบัติเป็นคำบอกเล่าหรือเล่าเรื่องของอวิชชาของอการดับอวิชชาต่างๆนนี่การภาพปฏิบัติก็มีมัชฌิมาปฏิปทานะักที่จะดับอวิชชาได้ทำหนวอวิชชา วิชาจตเววะเสสุยาดานิโรธาสร้างฆ่ารานิรถูกสร้างฆ่านานิโรธาบินนานุลานลานลเลื่อยไปจนกระทั่งถึงเอวเมตตาเกยะะะียรติตาดูขั้นทัสสะนิโรถโหตุเมื่อวิชาดับสังขานดับเรืยมันอยู่ในชากเดียวกันนั้นเราคาดโดยมากเราค่าดลวิชา เราคาดนู่นนู่นเป็นกิ่งเป็นก้านสาขามันอยู่ในที่เดียวกันเกิดในที่เดียวกันนั่นเวลาปฏิบัติเขาปฏิบัติอยู่ในใจจิตใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่ได้ไปตามกิ่งตามก้านสาขาดอกใบมันที่ไหนเขาจะไปตัดต้นไม้มาทําประโยชน์เขาไม่จําเป็นจะต้องพนักกิงก้านสาขาดอกใบของมันต้องการไม้ต้นใดก็ขวานเรื่อยๆตัดเข้าไปฟันเข้าไปคันแล้ว ต้น ต, ตัดปลายหวากกัวถาก็ถาหัวเลือๆๆ่อยก็เลื่อยจนเป็นรูปร่างออกมาตามความต้องการเป็นแบบเป็นกระดานพื้นกระดานผาเป็นขื่อเป็ น, ปนแปรอะไรแล้วแต่ความต้องการ น, นี่อยู่ตรงนี้แทไม่จําเป็นไปนับอิงการสา ข, ขาดอกใบของมันนี่เวลาวิชามันจะคิบหายมันก็ต้องประมวล ดังที่เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วเป็นที่แน่ใจเราเคยปฏิบัติมาอย่างไรขั้นริ่มแรกก็ใหม้มีจิตใจมีความสงบเพราะใจที่สงบตัวมีความอิ่มตัวก็เหมือนกับเรารักฐานอีกแล้วจะทำหน้าที่การงานอะไรก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ย่โดยดควอคลอยแต่ก็เชื่อ สร้างกายก็มีกํำลังทํางานเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีจิตใจมีสมาธิทำเป็นเครื่องหนุนจิตใจก็อิ่มตัวไม่หิีวหวยในสัญญาอารมณ์ต่างๆเมื่อ น, นําออกพิจารณาทางด้านปัญญามันก็ทํางานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เะเ ล, ะลาะลหยเพราะความหิหม้หวยรากจูมไปเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นสิ่งสาคัญในการหนุนปัญญาเวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญา ให้มีความคองแข่วฟังเปเริ่มขุดค้นไปตั้งแต่สกลนากายส่วนต่างๆตามความถนัดใจเอาแยกแยะดูหนังก็ดูให้ชัดอยากดูอย่างจงใจดูอย่างจริงใจดูด้วยความมีสติคนทั้งคนมมีอะไรมาปิดบังความจริงไว้ จึงไม่เห็นกันจึงหลงกันหลงกันเพราะอะไรอย่างท่านอาจารย์มา่านพันธุ์หลงหนังหลงหนังหรือว่าหลงอะไรอะไรหลงหนังหนังหลงหนันงหลงห น, นงงังท่านหลงอะไรหนังบางบางหุ่นหอนเลยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นมาในร่างของคนคนนั้นของแต่ละคนละคนอืใ ส, ส่เักสารปั้นยองขึ้นม า, าม เ, เป็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษเป็นหญิงเป็นชายน่ารัก กำหนัดยินดีตายแล้วใหญ่โตถ้าพิจารณาลงไปให้ถึงความกินของมันเป็นลําดับธรมาแล้วมันไม่เห็นมีอะไรหนังกตัดแต่ว่าหนังดูข้างนอกเป็นอย่างห น, นังอันเดียวนั่นแหละดูข้างในเป็นอีกอย่างหนึง่งแต่เราจะดูทางปฏิกูลทางอสุภะอสุภังดูก็ไปแยกแยกเข้าไปแล้วกําหนดสลายทำลายลงไป เหมือนเวลามันตายมันเป็นอย่างนี้เวลาตายฉนั้นเราให้ตายซะก่อนตายนั่นกำหนดพิจารณาร่างกายให้มันแตกมันสลายเสียก่อนที่ยังไม่แตกด้วยปัญญาเป็นการทันกับเหตุการณ์พิจารณาหลายครั้งลหลายผลคติปัญญาก็มีความคล่องตัวขึ้นมาคล่องตัวขึ้นมาของสมรวดเร็วทั้งภายในภายนอกตลอดทั่วถึงรวดเร็วเหมือนกัน อิยอมมีความปล่อยวังเมื่อเข้าใจธัดุจริงแล้วมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลยังถึงความจริ้มตามหลักที่ขั้นว่าสอดขาตัทํางตัดไปชอบให้รู้ชอบตามที่ตัดไว้นั้นมันมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่บุคคลมันไม่ใช่ชีวิตติตใจอะไรมันเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุไม่คิดเปอื่นตามความ หลังอะไรตื่นอารมณ์จ้ของเฉยกายนี่มันวาดภาพออกไปเองเจ้าของตื่นอารมณ์เของอันนั้นเป็นงั้นอันนี้เป็นนี้นี่เป็นนี่กวงั้นเป็นี้เป็นงี้งั้นเป็นงั้นอย่างนี้เป็นนี่เรื่องแรกมันแก่นี้ออกวาดภาพว่าเจ้าของอารมณ์อารมณ์เจ้ของงมเงานักคุกเงาของอยู่อย่างนั้นคุกทำยากลำบาก อะไรก็ไม่เห็นโทษคนไทยแห่งความหลอกตัวของโดยทางสัญญาสังขานนั่งนั่งวินการทางหูประราทผาทางตางขางเห็นก็มาเป็น อ, อารมณ์คอคนคอออกแต่อออกกนทนี่นะขุนท่ากต่ท้ายมือก็อยู่ก็ตานเนยเยมงดูแล้ว อย่างนี้แบบจำจังสักแบบนี้อะไรคงเส้นคงวาถึงมาถึงมันหักมันจะมันอัจจะดุดดิบตลอดมาจะแจนมหรือนี่มันจมแน้งหรือมันมั่วมั่วอย่างนี้ต้องใช้ความพยายามมากสติปัญญาไม่ก็ไหลท่วมนงไป ปัญญาัอธิบายให้เกียงเป็นเหมือนกับว่ายกให้ทั้งรุ่นอาากี่ยวกัประตีแผ่กระจายออกไปเป็นความแยบคลายของแต่ละนิสัยนั่นแหละเป็นสมบัติของตนแท้มาทันแยกแยะให้เป็นชิ้นเป็นอันพอที่จะตีแผ่กระจายออกไปได้ด้วยปัญญาของตนเองก็ให้นามาไปค้าไปทำซึงอยู่ในวงสัจธรรมด้วยกันแล้วไม่ใครจะพิจารณาแยกแยะไปในวิธีการใดก็ตามด้วยความถนัด ของจินสัยโดยปัญญาของตนเองผู้นั้นชื่อจะได้ผลเกิดขึ้นจากการพิจารณานั้นเป็นสมบัติของตนโดยลำดับลำดับไปนิริตมีหลายประเภทประเภทที่ยาบที่สุดก็คือมันยึดไปหมดทั่วโลกกถางรักก่อนยึดทังก่อนยึดโกรธก่อนยึดเกลียดก่อนยึด อะไรๆมันเดืดหมดกินไม่เลือกก็คือกิเลสประเภทอยาบนั่นเองเวลาพิจารณาการกองเข้าไปการกองเข้าไปส่วนหยาบนั่นก็ค่อยคลายตัวไปเรื่อยๆส่วนกลางส่วนหยาบมาถึงร่างกายรูปประคันี้ด้วยก็เป็นส่วนหยาบเพราะเป็นด้านวัตถุส่วนละเอียดให้ส่วนกลาง มีอยู่สามส่วนกลางแต่ส่วนมากมักจะว่าเป็นส่วนละเอียดถ้าตามข้อเท็จจริงแล้วเวทนาสัญญาสังขารมิญาณนี้เป็นส่วนกลางในข้อเท็จจริ ง, งการปฏิบัติเข้าใจรูปขันชัดเจนแล้วอนเวธนาสัญญาสังขารมิญานซึ่งเป็นนามนธรรมมันก็มีปัญญาพิจารณาอีกขั้น่ ตอนปัญญาที่เคยพิจารณานั้นแหละพิจารณาอันนี้มันก็เป็ น, เ ป, นเป็นไปตามอาการของขันละเอียดไปตามๆกันจนเป็นที่เข้าใจทุกเกิดขึ้นตรงไหนไมันก็ทราบชัดว่ากัแต่ว่าทุกเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครและไม่ใช่กาย ทุก็ชื่อว่าทุกสับแต่ว่าทุกรูปกายสับแต่รูปกายเนี่ยแยกเข้าไปแยกเข้าไปคําว่านามธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสัง ข, งขงารอย่างไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปพิจารณาหมดทุกชิ้นทุก อ, อันเหมือนเขาเขียนหนังสือเรียงลายกันไปตัวนั้นต่อตัวนี้ตัวนี้ต่อไม่ใช่อย่างนั้นเราท่านัดอาการใดเกียนทุกเวทนา ในขณะใ ด, ดเวลาใดเอาลงไปให้เต็มที่เต็มฐานให้เป็นที่เข้าใจในเรีนานั้นๆสัญญาที่ควรจะพิจารณาในเวลาใดมันหากม่ีการที่มันจะสัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมทั้งสี่อาการใดก็ตามเวลาใดก็ตามมานหาเป็นอยู่ในจิตรู้อยู่ในจิตเมื่ออาการใดมันสัมผัสสัมพันธ์กับอาการใดให้พิจารณาในอาการนั้นไม่ผิด เอาเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันลงให้ถึงเหตุถึงผลฐานตุงขึ้นมาแบปตึงดีตุงชั่วแยบแยบแย บ, ย บ, ยบขึ้นไปจิตโดยนี้อวิชานโหนกขึ้นมานั่นก็ดับไปดับไปลับไปก็ไม่เห็นมีอะไรเราคิดมาตั้งแต่ตื่นนอนจกนกระทั่งหลังนี้เราได้อะไรบ้างถ้าได้ก็คือทุกข์ถ้าถ้าไม่ใช่คิดด้วยทางโดยทางปัญญาเป็นทางมากก็ไม่เห็นได้ดิีได้ดีอะไรจากนั้น สันญาความหมายนั้นหมายนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นมั น, นตามกันไปทันเองผลดุท่านี้ก็หดเข้าไปสู่ใจหดเข้าไปสู่ใจพิจารณาด้วยความชัดเจนเวทนานี้ก็หดเข้าไปหาใจนั่นแหละพิจารณาที่มันเป็นอยู่ในร่างกายเนี่ยว่าทุกนั้นเจ็บนั้นปวด น, นี้พิจารณาไปจริงๆริง ม, มันสายเป็นสายเกี่ยวโยงมาจับใจพอใจเข้าใจเรื่องความเกี่ยวโยงนี้แล้วใจก็พิจารณา จนกระทั่งถึงใจเองแล้วเวทนาเหล่านี้มันก็ดยสัญญาไปค่าไปหมายอันในใกล้ไกลพิจารณาตามตามข้ามาตั้งลัก็เข้ามาหาใจนี้อีกเนี่ยมันออกจากใจทางนั้นทั้งๆ ท, ที่ไม่ใช่ใจออกจากใจเนี่ยเหมือนอย่างลูกคลอดออกมาจากท้องแม่นี่นมันไม่ใช่แม่มันเป็นลูกแต่มันก็ออกจากท้องแม่นั่นเนี่ยอืมนี่หมายถึงคลอดแ็้จริง ของการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติก็เป็นข้อเท็จจริงเกิดขึ้นจากนี้อย่างประจับ